ฟังธรรมะปฏิบัติคือว่าการเวลาแล้วนัังนั้นนการจจิตใานในตัวจะสดงอะไรนั้นเป็นหน้าที่ของท่านเรานังฟังก็คืว่าั่ภาวนาดังเยลอปกติ การภาวนากำลายใจนั้นเป็นมาสีของพวกเราทั้งทุกคนในสถานะความสุขความสบายจิตใจนั้นเป็นเรื่องสี่สำคัญยิ่งกว่าเรื่องของตายขณะจิตใจวุ่นวายสายแส่จิตใจไม่มีความสงบสุขไม่สบายแล้วเราจะ สถานทือใ ด, ด, ด, ดที่แต่ฐา น, นคือใดคือวิบวัตไหนมันก็ไม่มีความสุขความสบายให้เพราจิตใจของเราร้อนจิตใจของเราวื่นวายแต่นั้นทางทํามนะทางจึงสอนให้ฝึกอบรมจิตจาการสงดเยือกเย็นของตัวการฝึกจิตอบรมจิตนั้นแล้วแต่ค it, it, นใดเหมาใจ อะไรที่จะนํามาทําจิตทาใจทั้งตัวให้สงบนั่งนับคนจิตชอบกําหนดลมก็กําหนดลมคนจิตชอบบริกรรมก็บริกรร ม, รรรมคนจิตชอบเช่งจึงได่งหนึ่งเพื่อให้จิตจับอยู่ในสิ่ ง, งนั้นตได้เพราะปกติเรื่องทั้ ง, ง, งใจ <c oughs> มันใส่จิด ส่งตรงไปตามปัญญาอารมณ์อยู่ตลอดเวลาไว่าเราจะพาวนาหรือเราจะทำตารางงานอะไรใจไม่เคยอยู่กับที่ไม่เคยอยู่กับตัวมัดคิตมัดใจอยู่ด้วยฉะนั้นจิตใจของเราจะหนูมีกำลังและมีความสุขความสบายให้และความพักผ่อนของใจไม่มีทางศาสนา ขั้นที่สองให้ทักถอนเดี่ยวของใจสาหรับกาลัเดี่ยววัฏโมขะชทางความสงของใจโดยอยุบายที่คืต่างๆแล้วแต่ใจถนัดนี้คือดายเนี่ยทำใจของตัวให้สงบได้ระงับได้ก็ชื่อว่าอุบายที่คือนั้นถูกต้อง จึงจะไม่มีความตำรับตำรารือครูอาจารย์จะไม่มาสอนก็ตามเพราะเราสงบได้เราสรบายได้เราเย็นได้ถือว่าถูกต้องในทางธรรมของตัวใจสบายแล้วใจสุขแล้วใจสงบแล้ ว, ล ว, ลวตา่ตางๆทุกการสิ่ ง, งต่างๆมารวมตัวอยู่เป็นเอกภาพ ทางวัดหรือทางศาสนาถือว่าสมาธิถ้าเรียงรวมจนที่จนขาดจากสัญญาอารมณ์ถือว่าเป็นอัปปนารวมได้ในทิ้งนั้นเรืองสั้นเรื่องระยะในเท่าทิ้งจุดยืนตั้งประโยชน์ทำใ้ตัอุปราชตามเรื่อง้องผ่นไปเรื่องนั้นเป็นเรื่องจำบัดจลา แต่สิตภาวะนาะจิตจะต้องทราบต้องเห็นต้องเป็นจากตัวเองจึงจะเชื่อในอย่างนั้นตามเชื่อก็จะไม่ดั่งถึงจิตจิตใจจริงจังเชื่ําหรับกตำลาเชื่อได้ก็แต่นั้นเนี่ยมันเย็นมันสดมันสบายให้เชื่อจากการแต่ทาของเราเองนั้นเชื่อเมื่อเราเห็นเราเป็น คาหยอเย้องความสงมีรสชาตอย่างไรผู้ปฏิบัติทุกคนมีสติจะทำได้ที่จะเห็นจะรู้ขอแะแห่งต่างหน้าต่างตาศึกษาจะทำบำาเชิจริงจังเพราะความจริงจะมีจากความจริงไปไนได้ให้ตัางหน้าต่างตาต้งรวมรักษาจะเห็นอันี้สองเกิดขึ้นมาจากดางแต่ทรรทั้งตัว เพราะนั้นทุกคนที่บวชมาในศาสนาะคือตัณหาต่างๆมาศึกษาปฏิบัติสินาี่ของูปฏิบัติในมีเหว่างอื่นยิ่งกว่าการจะต้องรวมระวังใจการจะดูแลรักษาใจทวามปื้อนและาาาา ง, งานอื่นๆในหน้าที่ของคนอื่นเขาจะจัดแจงทํายิ่งจนนักบหวี างนานสองอะไรก็ไม่มีหน่วยโมก็อาศัยคาราวาส ก, ก็มีปัจจัยนำมาถ่ายให้แหาตามกดสังจะเหมือนกันไม่ไยุ่งเกี่ยวแสหาลี่ซื้อขายมันสะดวกสบายทุกอย่างตลอดทุกที่ทักที่ อ, อาศัยเกี่กับจุตหี่เขาก็สร้างอะไรเราสะดวกสบาย อย่างที่ประจานใจหาตัางใจประเตทปฏิบัติรักษาตามสงด์สงฆ์รักษาสัญญาอารมณ์ของใจแล้วจะเห็นอ น, นุสงส์เห็นคุณค่าในชีวิตของตัวที่เกิดมาไม่อย่างนั้นก็จะไม่มีคุณค่าสาระอะไรบวชแต่ะเกวบวชอยูใ่ในศาสนาหนุ่มสาเเลืองกองผม อยู่เอกเท่อแต่มีบ้านเท่านั้นแะต่จิตใจนั้นมันมีอะไรอัศัรรยเมื่อมันเป็นอย่างนั้นตามสงสัยลังเลในจิตในใจมันก็เกิดขึ้นสายแสบแสลงหาว่าอันนั้นจะสุดอันนี้นจะสบายเพราะตามบวชไม่มีการงานด้านนอกไมนะ่อยากชิดจุงใหโตคนเบวย ชิดใหญ่ใส่สูงคนหยวดตึงเปล่งปากตึงคาราว่าพอโอกาสเวลา้องน้ำเบื่อไม่มีตวงงาไม่อยากคิดอ่านแต่เลื่อนต่างหาคิดไปในทางแก้ไขหยุดใจเสีอทำร้ายกิเลสปัญหาผมมีโอกาสเวลาที่จะคิดได้แก้ไขได้ตกใจหาคิดไในทางผิด คิดไปในทางโลกก็มีประแสแรงมากจนหนูสามารถที่จะอยู่ในศาสนาไดา้เงินเป็นไปสมนองนั้นฉะนั้นเราที่คนที่ตั้งหน้าตัาง้งตามาฝึกสนแบบคิดปฏิบัติธรรมจพืรักษาสายว่ า, จาใจใจของตัวด้วยอดด้วยธรรมที่พระพุทธเจ้าตรงแนะน ให้เราเล็กนึกดุว่าเราเป็นนักบวชเป็นสมณนะทุกการทุกเวลาคือมีสมณะสัญญาคิดว่าเรามาบวชเกื่ยวกบความสงตเรามาบวชเกื่กบก่อค ว, ควรตัวเองและคนอื่นตัดอื่นความสงบจะเกิดขึ้นได้ทางกายก็เพราะเราไม่ได้ไปทำขวเสืเยต่างๆ ทำแต่ทำที่ดีมีหน้าที่เดินตรงตภาวนานะสมณะสัสด์ใสกายว่ า, จาใจให้สะาหาเรามีสมณะสัญญาตัดเตรียมตัวอยู่ ส, ส ม, ม่ำเสมอแล้วการภนะาวนนะาการละกิเลสไม่ส่ของยุ่งของยากอะไรพราะกิเลสไม่ไปอยู่ในที่อื่นอยู่ในจิตในใจของตัวเอง เป็นที่ชั้วจิตเสีเยจิตรบกวนจิดใจก็ในใจอื่นไกลไปจากสัญญาอารมณ์สัญญาอารมณ์นั้นหากเรามีสติมีปัญญามันจุดขึ้นจุดขึ้นเมื่อไรเราก็ทราบดีว่ า, าวอารมณ์สัญญาอันนี้เป็นอารมณ์ที่ชั้วจิตเสีเยโดยส่วนใหญ่ขั้วคารวะเขา คิดกันในใจนาที่ตันี้มาบวชต่ไปคิดไปจงอย่างนั้นหักห้ามเอาไว้ให้ใจมันไปคิดไปจให้เสียเวลาเวลาด้วยให้ิดให้ใจเดือดร้อ น, นวุนวายก็อารมณ์ัยาจิตเสีคิดึงจึขึ้ น, น, น, นมันผ่านมากวาตามแล้วอย่าไปคิดตามได้เกี่ยวข้อง ถ้าเรารักษาได้อย่างนี้อารมณ์ภายนอกหรือนายยุ่งเกี่ยวกับจิตใจอารมณ์ภายในเกิดขึ้นเราสำละจิตใจของเรายังอยู่ในวงของธรรมะยังอยู่ในวงของอของธรรมสุ่พระพุทธเจ้าทรงแนอนจิตใจคือใจวุ่นวายว่าวาเวต่างๆก็จะสงบสบายลงไป จะเห็นอันนี้สงในการทั้งรวมระวังรักษาจิตใจข้งตัวเมื่อเห็นอันนี้ส์ความหย่อนยนตังหยกเกิดเต็มสิ่งในตัวแล้วใม่บอกให้เชื่อให้เลื่อนใสให้เชิใจปฏิบัติมันก็เชื่อก็เลื่อนไสก็เชิญใจปฏิบัติเพราะทุกคนเกิดมาปรารถนาความสุขความสบาย ความสบายนั้นไม่ว่าแต่นักบวชฆลาว่าสทุกประการสัตว์ทุกประการแต่ความสบายนั้นจะเกิดจะเปนจะเห็นจะรู้กเพราะอาศัยการสรึกการอบรมการจตะธรรมควาเพียรของตัวไม่ใช่ว่าอยู่ๆความสบายนั้นก็จะเกิดขึ้นเป็นขึ้ต้องอาศัยเราจะทําเหมือนบ้านช่องที่เราไส่ สุขภาอาศัยหึกอสติปิหารนไม่ใช่หรมันเกือขึ้นเองคนอื่นเขามาทำให้หรือเราปรับตรงขึนมันจริงเลยพักภาอาศัยกันแดดกันฝนอยู่สึกอยู่สบายได้มีด้านจิตใจก็บทำนองโยกันล้วต้องบังคับบัญชาไม่ให้จิตใจสายแสไปตามเรื่องของกิเลสปัญหาแล้วเอาอารมณ์สัญญาสองธรรมมาแงสอน อบรมให้จิดใจของตัวเห็นโทษของความชั่วเห็นผลของความดีมีาสติรักษาอยู่อย่างนั้นใจจะสงบให้จะระงับให้เมื่อความสงบของใจได้ไปจากชัดเจนในการจะทำบำเพ็ญของตัวมันก่เชื่อความมันเชส่อ ความสุขจึงเป็นขีาานานาดศาสนายังรังนบกิดเหตุปัญหาได้ส่วนระยะต่างสั้นความในเกี่ยวข้องกับสัญญาอารมณ์ต่างๆข า, าดใจใดยรับความสงบจะเป็นนิสสัตว์อุปจาระหรืออัปนาเรียงขันยับยับเรียงแก่ น, นี้ก่อเห็นก่อเพื่อวา่าศานานั้น ยังไม่มีอะไรเสียหายไปตามตามตามเวลาผู้ประพฤติปฏิบัติ ภ, ภาวนายังเห็นยังรู้พาเราเห็นเราเป็นในตัวของเราโดยการแต่ทำบําเพ็ญคนอื่นเขาจะพัดคางวาสนาผ่านไปเท่านั้นทีตัวนี้คือโส ด, ดาจติทา่าอนาชาละหันจะหมดไป จ, จากโลกนั้นนั่นเป็นเรื่องลมปากของเขาเราจะทําบําเพ็ญเห็ น, นรู้ จากตัวท้งตัวอยู่คือ3ประสงบระงับของจิตของใจถึงในถึงขั้นอรหันต์อรหันต์เราก็เห็นทําสุกความสบายความสงบไา้เหนือการทำกินจังเลื่นจารเหนือนสุน้นไปจากวิเวีนันห์มันต้อมีโอกาสเวลาที่จะเกิดสุน้น แต่เราก็ทำเพียงแค่อย่างนี้เราก็ยังเห็นตามดีตามสงุมันเชื่ออย่างนั้นมั่นในใจว่าธรรมะของพระพุทธเจ้ า, าเป็นอาจารยริ้โตัิงคไมในมีกา ร, ม, ม, ารมีสมัยใครทำดีทำเชื่อเมืออไรผลที่เกิดขึ้นจา ก, กทางการทำของตอนนั้นจะตระจักษ์ในกิตในใจของเขาในการใดแต่ในในในในสมัยหนึ่ง นีคือเรื่อง 30, 40, อกามคิดสอนจิตอบรงใจทั้งตัวถ้าหากมีสมนนาสัญญาต่าว่าเราจนนัดปฏิบัตินัดบวกเพืบบ่อความสงบละงนับดับยุเหลปปัญหาโอกาสเวลาที่จะไปทำไปคูดไปคิดทางนอกมันก็แขรกเข้ามา มีปัิรักษามีปัญญาเนี่ยสอนตัวเองนม่ด้คิดไม่ดรุงไปในทางน้าม่ดปล่อยการปล่อยเวลาให้เสียไปคนที่ตั้งใจไปคิดปฏิบัติอย่างนั้นในสมัยพุทธกาลก็ดีสมัยปัจจุบันก็ดีดีโดยการแั้งรอนระวังอินทรีย์ของตัวคนนั้นจะมีโอกาสเวลาทุบปะ ทรนะสืบพระพุทธเจ้าแะสอนเมื่อพบปะเดี๋ยวตนเองแล้วก็จะเชื่อมัน่นอยากทำในสิ่งนั้นให้หน้าสิ้นไปเพราะทำไปได่รับผลคุ้มค่าถึงแต่ลำบากยากเย็นโดยการจะทำบัเชียนต อ, อุตสากพยายามเพราะเ็นดาสิ่งที่เราทำไปนั้นมัน คุงค่ า, ากับการจระทำของตัวความจริงนักบวชนักปฏิบัติทาา่าหัิตในเรื่มใสในเจนใจยินดีในอัดในทำแล้วเป็นทุกข์เป็นโทษมากเพราะว่าการเป็นอยู่ของนักบวชนั้นมีขอบเขตาการสูดการทำของนักบวชนั้นมีศีลเป็นเครื่อง รักษาเอาไว้ประพุทธตามชอบใจในไดน้จะต้องสิดจากศีลสุ่พระพุทธเจ้าทงบัญดัติังนั้นจึงเป็นการตัดขังตัวเองให้รับทุกข์รับโทษอยากดูอยากฟังอยากฟ่องอยากเกี่ยวคือไหนตามชอบใจในไดน้เดือดร้อวนวุ่นวายเพราะเรื่องส่งออกนอกเป็นเรื่องนอก จุดยิ่งนอแลยวในสุขไม่สบายให้หนูคือใจที่ในอยู่ในถอดของอัดของทาเป็นทุกข์เป็นโทษทั้งๆ ท, ที่โรคภั้ภายในใจในนี้แต่ใจมีโรคภัยคือจีรพัญ ห, หาตายแ่ออกไปตามตสายแสของกัญญาอารมณ์อยู่เรื่อยๆหักห้ามไม่อยู่ไม่มียารักษาให้ ยุ่เหยิอปัญหาสงบไปเมื่อผู้มีอาจมีรรมมมีเทิดได้จะสุขจะสะบายเสมือนเหมือนนักบวชเพราะนักบวชะทานที่อยู่แต่เจนขีด้วยมาโดยวุ่นวายผูกคนทำไมไหมมาปลวกก่อกวนเหนื่อยล้าทำลำหมากร ล, ล, ลำคานอยู่แต่อยู่คนเดียว นอนก็นอนคนเดียวนั่งก็นั่งคนเดียวอะไรือว่ า, าเก่คนเดียวตายคนเดียวอยู่คนเดียวจนติดตายวิ่งว่งอย่ในวุ่นวายอยู่ขวางกับคนอื่นแล้วก็ทำบำเพ็ญให้จิตวิ่งวื่งอย่ในยุ่งเกี่ยว ก, กับอารมณ์สัญาคือเป็นี่เลสปัญหา ทำจิดทำใจตั้งเป็นให้สงบละงัะในเรื่องเหล่านั้นเพราะคิดไปปรุงไปรวยะที่เราเคยคิดเคยปรุงในรายะที่เป็นเชลวะหรือในระยะที่เราบวชมาใหม่ๆเราคิดเคยคิดเคยปรุงไปลยล้วไม่เกิดนักเกิดผลอะไรให้หนอกจากความวุ่นวายเดือดร้อนของใจเราองเสียใคร กว่ากางยุ่นเกี่ยวกับสัญญาอันนั้นมันให้โทษให้ทุกข์แก่ตัวของตัวพยายามเพ่งพยายามบริกรรมพยายามกําหนดจุงหนึ่งจ่งใดจุดจิตรวมรวมให้จป็สมาธิเมื่อมีสมาธิทําหนักแน่นท้องใจความเห็นความเจริญความยัดควเย็นทของใจ คือในเชื่อประโยชน์เกิดมา ก, ก่อนโดยเกิดขึ้นจากการากระทามของตนเมืเ่อจิุดมีสมาธิจิุหนักแน่เมื่อถอดถอนช่วงมาจะพิจารณาอะไรที่เราเสงสัยของใจก็พิจารณาได้โดยส่วนใหญ่ทางศาสนาหรือครูอาจารย์มักแน้สอนให้พิจารณาเรื่องขาดถันเพราะมนุษย์หรือขัดเ ถ, ถื่วไปนั้น หลงเรื่องา่าดขันเป็นส่นใถึงจะรู้จะเข้าใจโดยการอ่านการโดฟังจากคนอื่นแต่จิดมันจะหลงหลงทั้งในรู้รู้ทั้งหลงหลงมันจึงแช่ยากความจริงการจำ ม, มาโดยสัญญาจากจำหรับํำลาจากคนอื่นนั้นมันเป็นสัญญา ไม่ใช่ปัญญาพอจิตจะละจะถอนให้ใจิตใจรูแ้แจ้งแทงตลอดในอัจในคําได้มันจึงไม่มีคุณาค่าสาระอะไรเหมือนกันกับตำราหยุดยาจะอ่า น, นจ่แจ้โรกใครให้มันหายไปนั้นอ่านท้าไมันจะไม่มีประโยชน์ให้การที่แกนาภายใน การแต่ทำภายในการสงรวมกายวาจายใจของตัวจนจิตได้รับความสงบส ง, บสงบัดเป็นสมาธิมีความหนักแน่นเข่มแข็งออกมาที่นี่ที่จะรรนาะเรื่องขาดขาันสึ่งเราท่านเคยได้ ย, ยินได้ฟังเคยดศึกษาไรเรียนมาแต่มันก็ยังหม่ละมันยังหลงยังจิตยังค่องอยู่ จิตใจยังเสืดราธาตันหาจิตใจยังเสืส่ความหลบความโผล่ความหลงเราจึงควรจำละด้วยสติด้วยปัญญาเพราใจของเราหนักแน่นด้วยสมาธิแล้วที่เจริญไปในเหลือหอาาห่องของขาดของขันให้เกิดปัญญาปามากตัดขาดจากความสงสัยความดวงจิตคล่อต่างๆนั้น ให้ตกออกไปได้ครับพระพาเจ้าหรืออริยะสาวกท่านจะทำมาอย่างนั้นมันจนจริงสาจิตมีสมาธิมีความหมานักแน่นที่จะนาอะไรถึงล้วโคยสงสัยมันจะขาดจะตกออกไปจะไปจากในใจว่าที่เลเหนนั้นมันตกออกไปจากใจ พิจารณาธาตุขันนั้นก็แล้วแต่จกพิจารณาธาตุอะไรจงจิตมันสัมผัสพิจารณาลงไปจนห้ถึงที่ศพของมันจนจิตใจรู้แจ้เข้าใจจริงในธาตหนึ่งธาดใดแล้วธาดอื่นๆในตองพิจารณามันก็รู้แต่ข่าใจทุ่ไป เพราะมันเหมือนกันจับธาตที่เราพิจารณาตกแตกแล้วมันไม่มีอะไรเชิงใสอย่างพิจารณาธาตุดินสึง่งเฉื่อยๆใหญ่อยู่ในสายของเราทุกคนมีธาดุดินสิ่งผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นอย่างว่าธาดุดินธาตเหล่านี้ มันเป็นยินจริงจังแต่พวกเราท่านหรือพวกที่จรณามันเลยถือว่าเป็นของเป็นเป็นเป็นเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาเป็นศาตร์เป็นบุคคลศาสตาทุ่เจรนาตามธรรมะของราพุทธชัเจ้าผมก็ดีแขนก็ดีเล็บก็ดีตันก็ดีหัวหนังเอ็กรดูกก็ดีจึงเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาจากยิน มันตั้งอยู่ก็อาศัยเรื่องของวินเริมเติมกันอยู่ทุกวันทุกเวลาไม่อย่างนั้นมันก็สึกหรอหรือแตกสลายเราทานอาหารทุกวันนี้ก็เพื่อเพิ่เมเติมสิ่งเหล่านี้ให้คงที่อยู่ได้เพราะถาดยินจะต้องอาศัยถาดยินมาเพิ่มเติมมาแล้วเมื่อหมดลมหายใจมันแตกสลายไปสิ่งเหล่านี้จะคงที่อยู่ไม่ได้ มันจะกลายไปเป็นผาดยืนตามเดิมท่องมัาผาดยืนนี้ถามันเป็นยืนจริงจริงจังจัแล้วมันไหนมีหญิงมีชายมันไหนมีเลกมีโกดมีหลงอะไรหน้าที่ของมันควรจะหลงมันล่าเป็นจัดจนบุคคลเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาหน้าที่ของมันเป็นอยู่อย่างไรมันจะเป็นไปอย่างนั้น นั่งเหน็ดเหงกับใครวัดบินอันนี้จะไม่เลยไปสู่สถานที่ใดอีกไปนะรกมันก็ไหนไปไปสวรรค์มันก็ไหนไปไปนิพพานมันก็ไหนไปหน้าที่ของมันเป็นยินมันเกิดเป็นยินอยู่อย่างนั้นนี่คือการที่แจะนะเรื่องธาตุธาตุยินนี้มีอยู่ทั้งนักบวชและฆราวาสธาตุยินนี้ เป็นที่ตั้งของโลกใครต่างๆจะมาพักมาอาศัยใครมีถาดอันนี้ถึงหหวงอยู่คนนั้นจะเป็นทุกข์คุณที่เจน า, าให้แยกใครให้คอยใช้ยืน จ, จังแล้วราคะความจาหนัดยินดีในถาดยินนั้นมันยืนดีนที่ไหน มันยินดีอะไรตัวเค่องยินเองยืนให้ยืนไหมสืดเข้าไปที่ใจนายเข้ไปให้จิตรู้เห็นตามเป็นจริงของมันเมื่อทาว่าธาตุดินของเรานั้นเป็นอย่างไรธาตุดินของเขาเราอื่นที่มีอยู่ในปัจจุบันหรืออดีตที่ถามมาแล้วจะเป็นกี่ล้านปี อยู่แสนทีกอดตาอนาคตยังไม่มาถึงกอตามมันก็เป็นอยู่อย่างนี้เป็นถาดยินเหมือนกันพราศาสตร์เรื่องของตัวเพ่อถึงหมดสงสัยไหนมีตัดมีบุคคลอะไรเป็นเจตสักแต่ว่าท่าจิตใจมันจะหายความสงสัย หายตามกำหนัดพอใจในเรื่องถาดอันนี้เพราะถาดอันนี้ไม่ใส่ของดีของดิเศษอะไรเมื่อเป็นอยู่ก็ให้ทุกหนต่บำยุงรักษาเมื่อแต่จสหายไปก็ไปตามหนสีจิตของมันนี่คือธาี่แยงนาธาตถารู้เพื่อจิต จะสัจจะรู้จะบังคับบัญชาให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้จนไปตามหนักสิตของเขาสู้พิจารณาผู้ภาวนาจะทราบทุกสิ่งทุกไปอย่างไปไมนมีอะไรที่จะสงสัยมีอะไรสงสัยกับพิจารณานั้นจนทุกสิ่งทุกอย่างตกไปตกไปผลคือสุดเรื่องของจิต มีปัญหาสงสัยอันนั้นสงสัยอันนี้เมื่อถึงื่อของมันจริงจังมันจะหมดไปหมดไปอย่างไรนั้น <c oughs> เราจะประจักษ์ในจิตในใจของเราผูกปฏิบัติเองมันหมดอย่างไรสมมติที่มีอยู่ในโลกมันก็มีอยู่แต่ไหนแต่ไรมาแล้วสมมุติอันนี้จะยนเชียง สมมติคำเดียวภาษาของโลกมันมากจนกระทั่งวันตายมันก็ไม่จบให้แต่ความจริงมันเป็นอย่างไรนะั้นมันเหมือ น, น, นกันมีเกิดขึ้นแต่นวรแตสลายเหมือนกันไม่มีอะไรที่จะสงสัยหยุดใจที่รู้ที่เข้าใจไม่อาจในธรรมจริงจังสำลัก สะอาดจริงจังแล้วแต่เป็นจิตใจที่บริสุทธิ์จะหลุดออกไปจากสมมุติอย่างที่เราไม่เคยคาดฝันจิตสงบธรรมดาเคยทราบเคยเห็นละเอียดขนาดไหนสงบขนาดไหนได้ไปจากในใจของผูป้ปฏิบัติแต่จิตยมุทนั้ น, นท่านผู้ปฏิบัติเมือเม่อเห็นเมื่อเป็นแล้ว จะไม่มีทางชงไผจะไม่มีการเข้าการออกสำหรับความบริสุทธิ์ยมุดของใจอะไรที่จะติดข้องในโลกอีกอะไรที่จะทําสิ่ง น, นั้นให้ดีวิเสษขึ้นไปอะไรที่จะทําสิ่ง น, นั้นให้ชั่วให้เสียอีกมันไม่มีหมดการบําเพ็ญ และการละทาบดีในจิตของผู้พูดปฏิบัติมีการสงสัยถึงจะพูดในคนอื่นฟังหรือจะไม่พูด น, น, นิ่งเฉยก็มีอะไรที่จะสงสัยในจิตในใจของท่านความบริสุทธินั้นจะไปจัด ผมจะว่าสังคีตุโภเห็นเองปัดจัดตังเฉพาะตัวรู้เข้าใจเหมือนมันจนมันเห็นถึงทีตสุดอย่างนั้น